ชิมโอวาดนะเป็นเสมือนกับมรดกที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้กับพุทธบริษัททั้งหลายจะสังเกตว่ามารดกที่พระองค์ได้มอบให้กับพวกเรานี้ไม่ได้มากมายอะไรเลยสั้น เทียบกับปฐมเทศนาแล้วนี่จะเห็นความแตกต่างกันอย่างมากนะปฐมเทศนานี่คือธรรมจักกัปปฒนสูตรยาวมากนะสาธยายปกติก็ครึ่งชั่วโมงรวมแปลด้วยแต่ประชิมโอว่า น, นี้สัน้นสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายจงทงความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอปกตินี่ เมื่อใครกำลังจะสิ้นลมแล้วก็จะสั่งเสียคำสั่งเสียนีต้องเลือกเฟ้นมาแล้วนะว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญพอหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะว่าคำสั่งเสียของพู้เจ้าที่เป็นมรดกธรรมนี่ไม่ได้ยืดยาวเลย แสดงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จริงพระเจ้าเคยจัดไว้ก่อนแล้วนะว่าความไม่ประมาทเรื่องประมาทธรรมนี้เป็นธรรมที่สําสคัญมากพระองค์เปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างในป่าเนี่ยนะไม่มีรอยเท้าสัตว์ชนิดใดที่จะเทียบกับรอยเท้าช้างได้รอยเท้าช้างนี่มันคลุมหมดนะไม่ว่าจะรอยเท้าเสือรอยเท้าสิงรอยเท้าแร่ ดแล้วแต่มารวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างหมายความว่ารอยเท้าช้างนี้คลุมหมดไม่มีอะไรที่จะมาใหญ่เกินกว่า น, นี้ได้อระมาตธรรมหรือความไม่ประมาทก็เช่นเดียวกันนะนเป็นธรรมที่ครอบคลุมคำสอนทั้งปวงของพุทธเจ้าเอาไว้รวมสุบย่อยๆก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้หมายความว่าอย่งไหมายความว่าความไม่เพอเร่ ไม่ละเลยไม่เลิเล่อนะเพลเรเลเล่นนี้ก็คล้ายๆกันเมื่อเพลเหรือเลเล่ก็จะนําไปสู่การละเลยรวมทั้งการหลงลืมด้วยความประมาทก็เกิดจากความเพลเรบ้างเช่นขับรถโดยประมาทอส่วนจะเกิดจากความเพลเรเลเล่และบางครั้งมันก็เกิดจากความ หมายถึงความละเลยการละเลยไม่ทำกิจที่ควรทำต่อตนเองต่อผู้อื่นการละเลยไม่บาเพ็ญบุญกุศลนี่ก็ถือเป็นความประมาทอย่างหนึง่งความหลงลืมด้วยกัเหมือนกันนะเมื่อหลงลืมก็เลยละเลยหรือเมื่อหลงเข้าไปในอารมณ์ลงเข้าไปในความเพลินความสนุกสนานก็เลยเผลอเลย อันนี้ก็เป็นแค่คุณลักษณะบางประการของความไม่ประมาทนะที่จริงชาสาตทีายก็มีมากกว่านี้แต่นี่เป็นเป็นลักษณะสำคัญนะของความไม่ประมาทซึ่งถ้าสังเกตดูจะพบว่ามันก็คล้ายๆกับสตินะบางทีก็ใช้สติกับความไม่ประมาทแทนกันได้สตินี่ลักษณะเด่นคือความความลืมความหลงนะ ลงลืมแล้วก็ไอ้ลืมอะไรก็ไม่สำคัญนอกจากลืมตัวมนุษย์เราเนี่ยทุกข์นะเพราะไม่ใช่เพราะลืมโน่ลืมนี่นะแต่เพราะลืมตัวต่างหากไอ้ลืมตัวแล้วก็สามารถจะทำร้ายตัวเองได้อย่างนึกไม่ถึงเอามีดกรีดตัวเองนะหรือว่าเอาเอาหัวนี่ขวกําแพง ด้วยความโกรธด้วความเนื้อเนื้อต่ำใจหรือทําทำร้ายตัวเองถึงขั้นตายก็ได้ฆ่าตัวตายหาไม่ก็ไปทำร้ายคนอื่นนะคนเราทำอะไรได้ทั้งนั้นนะเมื่อมีความลืมตัวแม้ก็ทั่งเรื่องที่ไม่น่าจะทำได้อที่ประเทศพุทธานี่มี เมื่อสักห้าร้อยปีก่อนมีพระที่เบรรวมหนึ่งนะซึ่งเป็นที่เคารพลักของชาวบ้านมากแล้วก็เป็นที่เคารพลักจนทุกวันนี้นะนนชื่อดุก ป, ปะกุลเล่นั่นดุก ป, ปะกุลเลนี่เดิมเป็นชาวที่เบรแล้วก็มาจากตระกูลที่สูงตระกูลนี้เนี่ยก็ได้ครอง ครองวัดที่ใหญ่ของทิเบตมาสืบเรียกว่าหลายชั่วคนนะท่านเนี่ยเป็นเจ้าวาดมนะีมีสิทธิ์ที่ได้เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ซึ่งมีพระเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าท่านปฏิเสธเพราะว่าท่านไม่ชอบพวกเรื่องยศถาบรรดาศักยนะ์เลือกที่จะมาเป็นพระธรรมดาร่องเร่ ที่เรียกว่าเป็นพระก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเป็นที่เบรนี่เขามีนักบวชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสิทธาสิทธานี่ก็จะว่าเป็นค า, า, ารวาสก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ครองเลือนท่องเที่ยวเร่ร่อนแล้วก็ไม่เป็นพระเพราะว่าไม่ได้ถือศีล เ, เคร่งครัดอย่างพระนะเป็นสิทธาแล้วก็มีลักษณะที่ประหลาดประหลาด นะมีอารมณ์ขันคราวหนึ่งท่านก็จาริกไปที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วก็สอบถามว่ามีถ้ำที่จะพักอาศัยไหมชาวบ้านก็แนะนำถ้ำนี้แหละแต่ก็มีคนเตือนว่าเนี่ยไอ้บริเวณตรงเนี้ยจุดเนี้ยเราแวกนี้เนี่ยมันมีโจร น, นะมีโจรที่ดุร้ายแล้วก็ ไม่ว่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาก็จะถูกปล้นถูกจี้ไม่ถึงกับฆ่านะแต่ว่าถ้าต่อสู้ก็ฆ่าได้เหมือนกันชาวบ้านก็เตือนท่านว่าอย่าอย่าไปเลยนะแต่ว่าท่านก็ก็อยากจะลองดูแล้วก็อยากจะหาโอกาสนี่แหละสั่งสอนโจรคนนี้สักหน่อยท่านก็ออกอุบายให้โจรเพื่อจะให้โจรคนนี้นะ กินขี้ของท่านนะท่านก็วางแผนเลยนะก็คือว่าก่อนจะนอนนี่ท่านก็เอาถุงใส่ใส่เงินเนี่ยซึ่งมันเป็นหนังเนี่ยเอาเงินออกแล้วก็ท่านก็ถ่ายอุจจาระลงไปถ่ายก็ไปเททเต็มเลยแล้วก็ปิดถุงเอาไว้แล้วก็วางไว้ข้างตัวพอตกดึกนี่โจมนก็มานะตามคาดมันมามันก็คว้าเอา ถุงใส่เงินของท่านแล้วก็เปิดถุงแล้วก็เรียกยเอามือล้วงเข้าไปหมายจะจะได้เอาได้เงินปรากว่าพอมือไปคลาอุจจาระของท่านไปถูกจจารท่านมันก็รู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่เงินเนี่ยก็อุทานก้นม า, าโอ๊ยขี้นะก็ดึงช่างมือออกมา แต่พัดช่องมือได้ออกมาอย่างแรงๆเนี่ยมือก็ไปไปกระแทกกระหินก็ปวดพอปวดแล้วทำไงก็เอานิว้วเอามือนั่นแหละมาใส่ปากนะเพื่อจะบรรเทาความปวดถึงตอนนั้นแหละก็เลยรู้ว่าจะกินขี้ของท่านเป็นละอันนี้ชาเรื่องนี้ก็สอนนะว่านะถ้าลืมตัวก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นรวมทั้งการกินขี้ของคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็น เป็นลูกเล่นของท่านลุกป่านะที่ท่านสอนสอนโจรแล้วก็สามารถจะกำราบโจรพวกนี้ได้ถ้าคนเรานี่ถ้าลืมตัวนะทำอะไรได้ทั้งนั้นนะนั่นจึงน่ากลัวมากความลืมตัวก็ทำก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างลืมตัวเพราะเจ็บปวดนะลืมตัวเพราะตกใจลืมตัวเพราะโกรธ อย่างความโกรธนี่มันทำให้คนเลืองตัวสามารถที่จะพูดสามารถที่จะทำร้ายคนโดยที่อาจจะบอกไม่ได้เจตนานะแต่มารู้ตัวเมื่อสายไปแล้วว่าไปด่าเขาหรือไปทำร้ายเขาซึ่งบางทีคนที่ตัวเองทำร้ายด้วยวาจาหรือ ด, ด้วยการ ก, การะทาก็ดีก็อาจจะเป็นคนที่ตัวเองรักด้วยซ้าอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นพ่อจะเป็นแม่เป็นคนรัก ความโรคหรือตันหาก็ทำให้ลืมตัวได้นะหลายคนเสียผู้เสียคนก็เพราะว่ า, าไปเห็นลาบอยู่ตอนหน้าคิดว่าไม่มีใครเห็นก็เลยคว้าเอาไว้หรือว่าลักขโมยมาเป็นของตัวบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นวัตถุแต่ จ, จะเป็นจำนวนเงินเช่นการคอรัปชันเนี่ยบางคนนี่ อาจจะไม่ได้มีนิสัยรักขโมยแต่พอพบว่ามีโอกาสที่จะโกงได้เงินก้อนมหาศาลถ้าเป็นพันเป็นหมื่นอาจจะไม่สนใจแต่พอเป็นแสนเป็นล้านนี่ไอความโลภที่มันเกิดขึ้นทำให้ลืมตัวนะเผลอคอรัปชันไปเผลอโกงไปก็กลายเป็นตราบาป และสุดท้ายก็จะลงด้วยการติดคุกนอกจากความโกรธความกลัวความตกใจนะความโลภแล้วนี่ไอ้ความอยากจะเอาชนะนี่มันก็ทําให้ลืมตัวได้เหมือนกันนะอยากจะเอาชนะไอ้ความอยากจอยากจะาชนะนี่มันก็เกิดจากมาร น, นะภาษาชาวบ้านเรียกว่าอัตตา มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะแกเป็นอาจารย์เหมาเชลยแกได้เชิญคนอาสาสมัครชวนอาสาสมัครมามาเล่นเกมง่ายๆง่ายมากเลยนะก็คือเกมประมูลแกก็เอาธนบัตรร้อยบาทเนี่ยอร้อยดอลลาร์นี่มาวางโดยมีคนประมูลอยู่สองคนใครที่ให้ราคาสูงกว่าก็ได้ ธนบัตรร้อยดอลลาร์ไปนาทีแรกมันก็เริ่มต้นประมูลด้วยหนึ่งดอลลาร์อีกคนหนึ่งก็เกทับสองดอลลาร์อีกคนที่คนที่หนึ่งก็ก็เลยเพิ่มมาเป็นสามดอลล่าร์นะเล่นกัน2คนเท่านั้นแหละนะต่างเกทับต่างประมูลกันไปประมูลกันมาปรกฏว่าถึง90้าสิบดอลลาร์แล้วก็ยังไม่เลิกนะ แล้วปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาประมูลไปประมูลมาปรากฏว่าลงเออด้วยอยอดประมูลที่เกินกว่าร้อยดอลลาร์ร้อยหกสิบก็มีบางทีไต่ขึ้นไปถึงสามร้อยก็มียอมเสียสามร้อยเพื่อจะเพื่อที่จได้ถดหนักร้อยดอลลาร์เนี่ยนะแล้วไม่ได้เป็นกับเฉพาะคู่เดียวนะเป็นกันหลายคู่ทีเดียวแล้วคนที่เล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครก็เป็นนักศึกษาก็เป็นคนที่ จะเริ่มมีสติปัญญาไปได้แต่ทำไมถึงยอมยอมเสียเงินร้อยกว่าร้อยี่ิบร้อยหกสิบหรือบางทีถึงสามร้อยเพื่อจะได้ธนบัตรร้อยดอลลาร์มันก็ไม่ได้เป็นธนบัตรพิเศษอะไรเลยอันนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาดนะเสียสามร้อยเสียร้อยหกสิบเพื่อที่จะได้ร้อยหนึ่งแต่ก็มีคนทํกันเยอะนะเพราะอะไรนะเพราะ ความลืมตัวแล้วที่ลืมตัวเพราะอยากจะเอาชนะนะเวลาเก่งเวลาประมวลกันไปประมวลกันมานี่ก็อยากจะเอาชนะคนอื่นนะเสียเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ฉันเป็นผู้ชนะแล้วก็เสียมากจริงๆนะอันนี้เราลืมตัวนะลืมตัวเพราะความอยากเอาชนะ้คนเราก็เสียผู้เสียคนเพราะความอยากเอาชนะนี่ไปมากแลเะเพราะพออยากจะเอาชนะแล้วนี่นะมัน ลืมนะลืมลืมจิตลืมใจของตัวเองไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนั้นจาเป็นมากนะเวลาเวลาเรามีอารมณ์นยะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องกลับมารู้ทันใจของตัวเองให้ได้ตอนที่ท่านเวลางนะมาเมืองกวางโจเป็นครั้งแรกนะตอนนั้นท่านยังเป็นคารวาสอยู่ท่านหนีภัยมา แต่ว่าได้รับได้รับตำแหน่งเป็นสังฆปรินายกองค์ที่หกแล้วจาก อ, องค์ที่ห้ามีการมอบตำแหน่งกันแล้วท่านก็หนีมาเพราะมีคนตามล่าตามล้างก็มาถึงเมืองกวางโจตอนนั้นก็มีกาำลังแสดงธรรมอยู่กากที่กำลังแสดงธรรมนี่ก็มี พระหลายรูปเนี่ยซึ่งอยู่นอกศาลามีองค์หนึ่งเหลือไปเห็นธงที่กำลังโบกสะบัดก็พูดคำว่าเนี่ยธงมันไหวพระรูปหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวต่างหากทีแรกก็เถียงกันสองคนนะธงไหวหรือลมไหวตอนหลังก็มีคนมาสมทบมากขึ้นนะก็เถียงกันว่าเนี่ยต่างให้เหตุผลว่าธงไหวหรือลมไหวกันแน่ ทีแรกก็เป็นการพูดคุยกันแต่ต่อังก็กลายเป็นการทุ่มเถียงลกลุ่มก็ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งทุ่มเถียงก็ยิ่งโกรธนะยิ่งโมโหท่านเวลานี้อยู่ในเหตุการณ์ท่านก็เลยพูดพร่งออกมาว่าจิตของท่านไหวตั้งหา่างบอกว่าได้สติเลยนะได้สติเพราะตอนเถียงกันเนี่ยนะลืมตัวตอนนั้นเนี่ย ไม่สนใจแล้วอาจารย์พูดอะไรอาจารย์บรรยายอะไรไม่สนใจคิดแต่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งความโกรธเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ตัวนะพอท่านไวลางพูดเนี่ยจิตของท่านทังหางท่ไวเนี่ยได้สติเลยได้สติก็คือว่าได้มาเห็นได้มารู้ว่าใจของตัวเองตอนนี้เนี่ยมันมันเสีย ป, ปกติไปแล้วนะมันคิดแต่จะเอาชนะจนกระทั่งเกิดความโกรธ อัะถ้าเราไม่อยากจะไม่อยากจะเผลอตัวนะในการที่ต้องกลับมาดูแจงตัวเนี่ยจะต้องอทำเป็นประจำเลยไม่งั้นเนี่ยใจเราเนี่ยมันมันไปแบบเตลิดเปิดเปิงเลยก็ได้บางครั้งความอยากจะชะนะ น, นี่มันสามารถจะทำล้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเองได้เออมี สามีภรรยาคู่หนึ่งนะสามีนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงกับภรรยามากสองคนก็ยังหนุ่มยังสาวนะสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงก็ต้องตัดสินใจทิ้งผู้ชายไปแล้วก็ทิ้งลูกให้ผู้ชายเลี้ยงผู้ชายนี่ก็เลี้ยงลูกด้วยความยากลบาบากเพราะไม่เคยเลี้ยงแต่ก่อนก็ให้ให้ภรรยาเลี้ยง แต่พอภรรยาไม่อยู่แล้วตัวเองก็ต้องเลี้ยงเองลําบากมากก็รู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาก็เลยไปตามนะไปตามภรรยาภรรยานี่ก็ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟมั้งอยู่ในร้านอาหารผู้ชายก็ไปวิงวอนนะไปอ้อนวอนขอให้ผู้หญิงเนี่ยกลับมาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวกลับมาดูแลลูกนะ ฉันจะไม่ทําร้ายเธอแล้วฉันจะไม่ว่าเธอแล้วแต่ผู้หญิงก็คงจะ เ, เข็ดหลาดากับพฤติกรรมผู้ชายก็ไม่ยอมผู้ชายนี่พูดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมสุดท้ายก็โกรธก็คงจะรู้สึกว่าตัวเองเสียศักดิ์ศรีได้อุตสาหมาเหมือนก็บแทบจะกราบกลานแล้ ว, ลวก็อย่างผู้หญิงก็ยังไม่ยอมโกรธมากนะก็เลย พอช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าห้องน้าผู้ชายก็ตามเข้าไปแล้วก็มีแทงช่วงกระหน่าแทงจนตายอาะผู้ชายทําอย่างนั้นทําไมเนี่ยเพราะความโกรธทําไมถึงโกรธนะก็เพราะสุกับตัวเองเนี่ยถูกถูกเหยียดหยามเสียเกียรติรู้สึกว่าตัวเอ ง, งเป็นสายไพ่แพ้ไม่รั้วจะเอาชนะผู้หญิงได้อย่างไรอุสาหมาขอร้องแล้ว ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จก็เลยต้องการแก้แค้นต้องการเอาชนะผู้หญิงให้ได้และวิธีที่จะเอาชนะได้คือการใช้กำลังเพืนะ่อแทงเข้าไปจนตายแล้วตัวเองก็ติดคุกนะไม่รู้ว่าตอนนี้ออกหรือยังนิสัยที่เอาชนะอยากจะเอาชนะนะซึ่งเกิดจากมานาหรืออตัตตนี่มันน่ากลัวมาก มันทำให้คนเรานี่หลงตัวลืมตนได้ง่ายแต่ไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีหรืออยากเอาชนะหรือว่าความกลัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่ทำให้คนเราลืมตัวได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าากเรามีสตินะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ได้ไม่ไปล่อยให้มันเข้ามาครอบงาใจ สตินี่เหมือนกับเป็นยามเฝ้าประตูนะหรือว่าเป็นยามเฝ้าเมืองเมืองนี่ก็คือจิต น, นครนั่นเองจิตเรานี่เปลี่ยนเหมือนกับ น, นักขอซึ่งจาเป็นต้องมียามคอยเฝ้าเอาไว้บางครั้งก็เผล่นะยามนี้หลับในปล่อยให้ศัตรูเข้าไปศัตรูของจิตนะก็คือโลภโกรธหลงความถือตัวความอยากเอาชนะ มันเข้าไปมันก็ไปสร้างความป่นป่วนแต่ก็ไม่สายหนะ้าที่ยาม น, น่าจะไปตามไปตามล่าตามไลนะ่ให้ศัตรูเราเนออกไปจากใจสติเนี่ยทำหน้าที่นี้นั้นะสติจะทําหน้าที่นี้ได้เนี่ยก็ต้องนะฝึกให้มันดูใจบ่อยๆนะมันมาดูใจตามแค่รู้ทันนะใจของตัวเองเนี่ย มันก็มากพอแล้วนะที่จะขับไล่อารมณ์ต่างๆเอาปจากใจเพราะว่าไอ้พวกนี้เหมือนขโมยมันเข้ามาก็ต่อเมื่อเราเผลอขโมยนี่มันเข้ามาในบ้านเราก็เพราะเราเผลอแต่พอเรารู้ว่ามันแอบเข้ามามันก็ตกใจเหมือนกันนะมันก็หนีมันกลัวมากคือมันกลัวที่เจ้าของบ้านจะเห็นเจ้าของบ้านไม่ต้องทาอะไร แค่รู้ว่ามันมารู้ว่ามันแอบเข้ามานี่ก็มากพอที่จะทําให้มันหนีไปแล้วเพะฉะนั้นเพียงแค่รู้ทันเนี่ยนะมันก็ช่วยรักษาจิตใจของเราไว้ได้แต่การที่จะรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําง่ายๆมันต้องเริ่มต้นจากการรู้ทันกายก่อนหรือรู้กายอารมณ์เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากนะมันเป็นนามธรรม มันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดจะรู้ทันเนี่ยใหม่ๆเนี่อรู้ทันยากแต่ว่าการเราก็ฝึกได้จากการมารู้กายก่อนกายก็คือนะีกายเคลื่อนไหวนะเรียบบทต่างๆนี่มันเป็นมันยากนะเวลามือขยับเวลาเท้าขยื่นนี่เรารู้สึกนะเรามีความรู้สึกความรู้สึกนี่เป็นความรู้สึกที่ชัด มันก็ช่วยดึงจิตให้กลับมารู้กายได้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยแนวหลวงพ่อเทียนหรือแม้กระ ท, ทั่งสติปัฏฐานสีเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่กายก่อนกายยานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐา น, เ, นเริ่มต้นด้วยการรู้นะรู้กายรู้กายไม่ใช่เอาตาเนี่ยของเรามาดูว่ามือมันทําอะไรเท่าทําอะไรไม่ใช่เราไม่ใช้ตานึกแต่เราใช้ตาไหนตาในคือสติ เมื่อยกมือก็รู้ว่ายกมือนะเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินที่รู้ได้เพราะว่ามันรู้สึกนะมันรู้สึกว่ามือคือเล่อขยับหรือว่าตัวเท้ากลาลังเดินไอความรู้สึกนี่แหละนะมันจะช่วยเตือนช่วยดึงจิตนะให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวบางครั้งเราเดินแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนตัวเดิน ตัวขยับแต่ใจไม่รู้ไปไหนไอตอนที่ไปอยู่กับอดีตก็ตามไปอยู่กับอานาคตก็ก็ตามหรือจมอยู่ในอารมณ์ก็ตามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในช่วงขณะนั้นมันจะไม่ไม่รู้สึกนะว่ามือกำลังขยับเท้ากําลังเดินมันจะเป็นความสึกแวบๆบแบบหรือว่าหลายแว บ, บหน่อยเสร็จแล้วก็กลับมารู้กลับมารู้สึกกลับมารู้ตัวนะ แต่เดี๋ยวก็ไปอีกไอตอนที่ไปนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าตัวหรือกายกำลังทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนะแปดส้าอร์ซของของเวลาเนี่ยมันจะมันจะหมดไปกับการส่งจิตออกนอกปล่อยใจไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเข้าไปอยู่ในความคิดจะมารู้กายเพียงแค่ 10% เปซนต์เงเราปฏิบัติ ใหม่ๆก็ จ, จะรู้สึกว่าทำไมมันฟุ้งเหลือเกินทำงานก็ฟุ้งเหลือเกินอันนี้ให้รูวเป็นธรรมดาบางทีมาจจะฟุ้งกว่าตอนที่ไม่มาปฏิบัติซกเพราะตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยเรามีงานที่ชอบเรามีงานที่ใส่ใจใจมันก็มี ม, มีงานทามันก็ไม่ฟุ้งอาจจะฟังเพลงอาจจะดูหนังใจมันก็เกาะอยู่กับ กับเพลงเสียงเพลงหรือว่ากับหนังมันก็เลยไม่ฟุง้งไงแต่พอมามาอยู่วัดมาทำอิเรียบทซ้ำๆไม่มีงานให้ทำที่น่าสนใจหรือว่าไม่มีสิ่งเสพที่จะตรึงจิตให้อยู่นิ่งๆได้มันก็เลยแส่ายบางทีก็ไปหาเรื่องคิด เพราะว่าจิตนี่มันมีความคิดเป็นอาหารนะเป็นพักษาอาหารร่างกายเรามีผักมีข้าวเป็นอาหารส่วนจิตเนี่ยมันมีความคิดรัว้วภาษาเป็นอาหารหรือว่าคนเมืองเนี่ยซึ่งติดซึ่งเจอแสงสีมามากเนี่ยก็จะติดแสงสีโดยไม่รู้ตัวรวมทั้งติดข้อมูลข่าวสารนะแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวสารนี่มันท่วมท่วมทนเลย มันมาทั้งทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์มาทั้งทางโทรศัพท์มาในรูปของ SMS Line Facebook สารพัดถึงมาหลายคนจะบอกว่าโอยมันมันวุ่นวายไปหมดเลยนะแต่ว่าลึกๆก็ติดมันนะคนที่เบือ่อพวกข้อมูลข่าวสารที่ล้นจิตล้นใจแต่พอมาอยู่วัดก็หวดโหยหานะพอไม่ได้เสพก็รู้สึกว่ากระสับกระส่ายนะ จิต ก, ก็เลยต้องหาทางไปเสพไปหาความคิดมาเสพนี่กเป็นเป็นการหาอยู่หากินของจิตนะร่างกายก็ไปหาอยู่หากินด้วยการไปเก็บผักเก็บหญ้ามาส่วนจิตนี่มันก็ไปหาอยู่หากินด้วยการไปหาอารมณ์มาเสพอาจจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงก็ตามหรือว่าความคิดที่เราธทำมารมณ์เพิ่อนก็ฟุกเป็นธรรมดาแต่ว่าก็อย่าถอ้ออย่าถอยให้กลับมา กลับมารู้กายนะเพราะว่ารู้กายนี่มันง่ายที่สุดแล้วถ้าไม่รู้กายนี่จะไปให้รู้ใจรู้อารมณ์นี่ยากมากแล้วการที่เรารู้กายบ่อยๆนะก็จะทำให้จิตทำให้สตินี่มันว่องไวปราดเปรียวมากขึ้นแต่รู้กายนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เปเพลงนะบางคนนี่พยายามไปจะรู้กายให้ชัดๆ ด, ด้วยการไปดเพลงเอาจิตไปจดจ่ออยู่ที่มือที่เท้า อันนั้นทำไม่ถูกให้รู้เฉยๆนะรู้โดยที่ไม่เพ่งแล้วก็ไม่มีคำบริกรรมหลายคนก็ติดคำบริกรรมว่าเออนะต้องมีพุทบ้างโทบ้างต้องมีซ้ายย่างหนอขวาาย่างหนอหรือต้องมีการนับพอไม่มีการนับไม่มีการบริกรรมมันเคว้งคว้างนะความรู้สึกอาจจะคล้ายๆกับคนที่ข้ามข้ามท้องร่องสวนนะ่นนะ โดยใช้ไม้ไผ่ไแค่ลำเดียวนัในสมัยก่อนนี่ท้องล่องสวนนี่มันจะมีสะพานให้ข้ามแล้วก็มีแค่ไม้ไผ่ลำเดียวแต่ก่อนอาจจะคุ้นกับการที่มีมีราวให้จับด้วยนะมีราวให้จับก็ทําให้ข้ามท้องล่องได้สะดวกถึงแม้จะเป็นไม้ไผ่ลำเดียวแต่มีราวให้จับอาการปฏิบัติที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นนะ ก็คือว่าตามลมหายใจก็ดีหรือว่าเดินก็ดีมีการบริกรรมตามไปด้วยนะซา ย, ย่างนอะควาอย่างหนอหรือว่าพุโทโธพุโทโธอันนี้เนี่ยคำบริกรรมเหมือนกับราวราวที่ทำให้จับที่ทำให้ไม่หลงนะไม่เผลอแต่พอมาปฏิบัติแบบไม่มีบริกรรมก็เหมือนกับเดินข้ามสะพานเดินข้ามท้องร่องโดยไม่ไผ่ลาเดียวไม่มีราวจับ ถ้เกิดอะไรขึ้นก็ตกท้องร่องเลยตกท้องร่องก็หมายความว่าใจมันก็ฟุ้งไปเลยนะเพราะไม่มีสิ่งที่จะมัดจิตผูกจิตไว้ได้การปฏิบัตลงพ่เทมัยใหม่มจะฟุ้งบ่อยมือนกับคนที่ใหม่ๆเดินข้ามท้องร่องไม่เป็นก็ตกท้องร่องนะก็อย่าท้อนะลุกขึ้นมานะมาเดินต่อมาข้ามสะพานต่อ และไหนๆก็จะพบว่าเดินข้ามท้องร่องด้วยไม้ไผ่ลําเดือนนี้สบายมากนะที่จริงเดีย๋ยวว่าแต่ไม้ไผ่เลยนะคนที่ฝึกมาดีๆเนี่ยแค่เชือกเส้นบางๆแล้วก็สามารถจะเดินไต่เชือกได้ถ้ามีนักกยกรรมที่เดินไต่เชือกนะะเชือกยาวเป็นร้อยเมตรนะถึงระหว่างยอดตึกสองตึกก็สามารถที่จะเดินข้ามได้ อันนี้เป็นความสามารถของกายและความสามารถของใจที่ฝึกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันนะฝึกได้นะให้เขากลับมารู้กายบ่อยๆนะแต่ก่อนนี่ 90% หมดไปกับความฟุ้ง 10% แค่รู้กายแต่ทําไปทาไปความรู้กายก็จะเพิ่มขึ้นจาก 10% เปอ็นต0เ0็น 50% จะรู้กายได้ต่อเนื่องรู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวรู้ว่ากาลังยกมือโดยที่ไม่ต้องเพง่งไม่ต้องจ้อง เผลอปุ๊บ ก, กลับมาและต่อไปมันก็จะรู้ใจแล้วก็คือรู้ความคิดตอนนี้ น, นะมันก็เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเห็นใจคิดนึกโดยที่ไม่ต้องไปจ้องความคิดนะมันมันรู้เองคิดพอคิดปุ๊บมันก็รู้ปับ๊บแต่ตะกอนนี่คิดไปยืดยาวต้งค่อยรู้ คิดก่อนแนละ้วค่อยมารู้ทีหลังอันนี้เขาเรียกว่าตามรู้คําว่าตามรู้คืออันนี้คือว่าคิดก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังไม่ใช่แปลว่าไปจดจอ่อไปจ้องไปดักเอาไว้นะหรือไปจี้บางคนไม่เข้าใจคําว่าตามรู้คือไปจี้ไม่ใช่นะมันหมายความว่าเมื่อรู้เมื่อคิดไปแล้วแล้วค่อยมารู้ทีหลังแต่ว่าต้องให้มันกระชั้นหน่อยนะไม่ใช่ทิ้งช่วงนาน คิดไปสิบเรื่องถึงค่อยมารู้นี่ไม่ใช่ถ้าให้ดีเนี่ยคิดปุ๊บ ก, ก็รู้ปั๊บเลยนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังขนาดนั้นรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆมันต้องให้เวลากับจิตในการฝึกเรื่มจากการรู้กายก่อนแล้วต่อไปก็จะรู้ใจเมื่อรู้ใจเราก็ไม่ลืมตัวเมื่อเมื่อเมื่อไม่ลืมตัวแม้จะมีความเจ็บความกลัวความโกรธความอยากจะเอาชนะมันก็มาครอบงําจิตไม่ได้มันยังเกิดขึ้นอยู่ นะเพราะเรายังเป็นปุถุชนแต่เพียงแค่เรารู้ทันเมื่อมันโผล่ขึ้นมาหรือเมื่อมันแอบเข้ามาในใจเราแค่นี้ก็มากพอแล้วที่จะทำให้มันลาถอยไปเอาละชาจาย์ที่จพูดกันเท่า น, นี้กราบพระ